ลุงพี่พรุ่งนี้ผมจะไปซื้อทองที่บางกอกนิมนต์ลุงพี่ไปเที่ยวด้วยนะครับนายหล่อมานิมนต์ถึงกุฏิที่พักตอนสายวันหนึ่งทองที่เมืองสิงไม่มีแล้วหรือเองถึงต้องไปซื้อถึงบางกอกพระเจริญถามเป็นธรรมเนียมของคนบ้านนอกที่นิยมไปซื้อทองในเมืองกรุง มีครับแต่คุณภาพมันคงสู้ของบางกอกไม่ได้เขาเล่าลือกันว่าจะซื้อทองดีต้องยี่หอ้อโต๊ะกังยวราชลุงพี่ไปเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับเองไม่มีเพื่อนหรือทำไมไม่ชวนเจ้าเชี่ยวกับเจ้าชานไอสองคนมันไปนะสิครับผมถึงได้อยากให้หลุงพี่ไปด้วยจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งถ้าเช่นนั้นก็ต้องไปเรียรไรด้วย เอหรือว่าข้าจะได้พบคนอุปถรัรมภ์เพราะนี่กระบวตมาได้ห้าพรรษาแล้วท่านนึกถึงคำทำนายของหลวงพ่อสุขวัดมาขามเท่าครั้นนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันทาบุญศาสตร์จึงบอกกับนายหล่อว่าสงสัยข้าจะไปไม่ได้เส็แล้วพรุ่งนี้รงกับวันศาสตร์ ท่านเข้าใจว่าไปเรือซึ่งจะต้องค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนได้สิครับผมกําลังจะบอกหลวงพี่ว่าผมซื้อรถสองแถวมาคันหนึ่งไม่เอี่ยมเลยเราไปเช้าเย็นกลับได้ออกจากที่นี่ตีสีกลับถึงวัดก็คงไม่เกินสี่ทุ่มผมรับรองว่าหลวงพี่กลับมาทันทําบุญศาสแน่หนุ่มเมืองสิงพูดอย่างมั่นใจ ถ้าเช่นนั้นขอให้ข้าบอกท่านสมภารก่อนดีเหมือนกันจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนคนที่เขาเคยมีบุญคุณต่อข้าท่านนึกถึงจอมพลแปลกและครูสอนศิลปะบรรเลงตลอดจนญาติพี่น้องที่บ้านสามกระไดลุงพี่ไม่อยากรู้หรือครับว่าผมจะซื้อทองไปทำไมนายหล่อถามด้วยท่าทีกระยิ่มยิ้มย่อง ตั้งใจจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่ก็เกรงว่าท้องจะแตกเสียก่อนจึงต้องเรียนให้หลุงพี่ที่เคารพรับ ร, บรู้ข้าไม่อยากรู้ว่าจะอยากรู้ไปทำไมเพราะไม่เคยซื้อทั้งทองทั้งเพชรมีแต่คนเขาให้มาท่านหมายถึงยมยายและแม่ประยงซึ่งคนแรกให้ทองคนหลังให้เพชรแม้หลุงพี่ละก็ อยากรู้หน่อยก็ไม่ได้เขาต่อว่าเอาเถอะเอาเถอะในเมื่อเองอยากบอกก็บอกมาถึงข้าไม่อยากรู้แต่ก็จะพยายามฟังเพราะสงสารเองสงสารผมเรื่องอะไรล่ะลุงพี่คนอย่างผมไม่ต้องให้ใครมาสงสารมีแต่คนจะอิจฉาในความโชคดีของผมโชคดียังไงก็ผมกำลังจะแต่งงานนะสิครับผมจะไปซื้อทองมามั่นสาว รับรองว่าหลุงพี่ต้องอิจฉาผมแน่เพราะว่าที่เจ้าสาวของผมทั้งสวยทั้งรวยใครหนอที่โชคร้ายมาหลงรักเองท่านยาวโชคดีต่างหากแม้ผมเป็นคนดีนะครับหลุงพี่แถมยังรูปหลอ่อพ่อรวยหนุ่มในบ้างนี้ไม่มีใครสู้ผมได้ในหล่อคุยโวเองหล่อแต่ชื่อเท่านั้นแหละ ส่วนรูปร่างหน้าตาขากินขาดเองสู้ข้าไม่ได้หรอกพระหนุ่งแกล้งคุยทัพครับครับผมยอมให้ลุงพี่หลอกกว่าแต่ถึงจะหลอกกว่าหากก็ไร้ความหมายเพราะลุงพี่เป็นพระสะรุปแล้วผมก็มีภาษีกว่าไม่เช่นนั้นแม่ประยงจะรักหรือได้ยินชื่อแม่ประยงพระนุ่มถึงกับใจหายว่าบ หาก็ชั่วเดียวเดียวเท่านั้นเพราะสมณสัญญาควบคุมอยู่แม่ประยงลูกสาวโยมนวนนะหรือท่านกลั้นใจถามก็จะใครเสอีกละ่ะหลวงพี่เห็นหรือยังครับว่าผมหน่ะโชคดีขนาดไหนแม่ประยงเธอเข้าสูตรของผมทุกอย่างสูตรอะไรของเองสูตรเลือกคู่ครับรูปสวย รวยทรัพ์นับวิชาพ่อตาตายไม่ยายโง่ข้าว่าโยมนวลแกไม่โง่นะไม่งั้นจะเป็นเศรษฐีได้หรือผมหมายความว่าแกโง่กว่าผมนะครับถึงได้ยอมยกลูกสาวให้ถ้าแกฉลาดคงต้องยกให้หนุ่มที่เขารวยกว่าผมเช่นหลวงพี่เป็นต้นพระหนุ่มสะดุ้งนิดหนึ่งรีบบอกฝ่ายนั้นว่า เอ็งอย่าพูดให้ข้าต้องอาบัตแม้ผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นหลุงพี่ก็คิดมากไปได้งั้นผมลาละครับพรุ่งนี้ตีสี่ผมจะเอารถมารับพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปพระเจริญมองตามหนุ่มผู้โชคดีรู้สึกโล่งใจที่แม่ประยงจะแต่งงานท่านจะได้ไม่รู้สึกผิดว่าเพราะหล่อนอกหักจากท่าน จึงครองตนอยู่เป็นสาวทึนทึกจะว่าไปแล้วในหลอก็เป็นคนดีคงจะทำให้หล่อนมีความสุขได้แต่ที่สำคัญคือท่านจะให้ในายหลอรู้ไม่ได้ว่าแม่ประยงเคยหลงรักท่านถึงกับมอบแหวนเพชรเม็ดงามให้หนึ่งวงตั้งใจว่าจะเก็บแหวนวงนี้ไว้ก่อนและจึงหาทางคืนให้ลูกหลานของหล่อนในโอกาสต่อไป เกือบห้าทุ่มนายหล่อจึงพาพระเจริญมาส่งที่กุฏิพระหนุ่มเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหาก็โล่งใจที่จะได้ลงมือสร้างโบทเสียทีวันนี้ท่านได้ปัจจัยมาเต็มย่ามด้วยความเอื้อเฟื้อของครูสอนศิลปะบรรเลงซึ่งบัด น, นี้ได้รับปลดเกล้าปลดกระหม่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์ไพระ นอกจากจะบริจาคเงินสองพบาทแล้วหลวงประดิษฐ์ไพเราะยังนำท่านไปพบจําพลแปลกผู้เป็นนายกรัฐมนตรีจาพลแปลกทำบุญมาห้าพันและนำท่านเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบมาหพัน พวกขราชบริพานสมทบมาอีกคนละร้อยสองร้อยได้ปัจจัยมามากมายก่อนกลับในหล่อและพักพวกซึ่งมีทั้งโยมหญิงและโยมชายได้พากันไปซื้อทองที่ห้างโต๊ะกังเยาวราชท่านยืนรออยู่หน้าร้านเพราะไม่ต้องการผิดวินัยด้วยสถานที่นั้นเป็นอโครจรอันหมายถึงที่ที่ภิกษุไม่ควรไป ท่านยืนรออยู่หน้าร้านสักพักเจ้าของร้านก็มานิมนต์ให้เข้าไปชันน้ำชาแล้วท่านก็รู้ว่าเจ้าของร้านคือเจกบกบุคคลผู้นี้เคยถูกท่านแกล้งอย่างสาหัสสากันสมัยที่ท่านเป็นเด็กเมื่อรู้ว่าพระหนุ่มคือเด็กเกเรคนนั้นเท่าแก่บกคงจะถือโอกาสแก้แค้นจึงใช้ถ้อยคาที่ฟังแล้ว ช่างบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจและท่านคงจะจดจาไปจนตลอดชีวิตแม้ว่าแกจะพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ท่านก็เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งทุกถ้อยคำว่าท่านบวชก็ดีแล้วอ้วจะขอร้องว่าให้ท่านบวชตลอดไปอย่าได้สึกออกมาด่าเจ๊กอีกนีถ้าแกไม่ทาบุญมาถึงสองพันท่านคงเจ็บมากกว่านี้ ส่งน้ำชำระกายเรียบร้อยแล้วภิกษุหนุ่มจึงไหว้พระสวดมนต์และที่จะลืมเสไม่ได้คือคาถากรณียะเมตตสูตรซึ่งท่านได้รับอ น, นิสง์มากมายสุดจัพนานาสวดมนต์เสร็จท่านก็จำวัดและหลับสนิทอย่างรวดเร็วด้วยเหน็ดเหนื่อยกับการนั่งรถมาทั้งวัน ประมาณตีหนึ่งพระหนุ่มก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงทุบประตูปังปังลุงพี่เปิดประตูหน่อยครับเป็นเสียงผู้ชายตะกกนเข้ามาใครมีธุระอะไรท่านถามออกไปรู้สึกรําคาญที่ถูกรบกวนในยามวิการผมจ้อยครับลุงพี่เปิดประตูหน่อยเสียงในจ้อยน้องชายในจำรัดนั่นเอง เขาคงมีธุระร้อนมิฉะนั้นคงไม่มารบกวนยามดึกดื่นค่อนคืนเช่นนี้เอ็งหรอกรึอทำไมมาดึกดึกดื่นเดินท่านเปิดประตูออกมาและถามแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างสว่างพอที่จะให้ผู้มาเยือนเห็นว่าเจ้าของกุฏิครองไตรจีวรเรียบร้อยแม้ในยามนอน ช่างเป็นพระที่เคร่งวินัยดีเหลือเกินลุงพี่ช่วยแม่ย้ายผมด้วยแกถูกผีเข้าช่วยไปไล่ผีให้แกหน่อยโยมเผ า, าหน่ารึอเอ็งจะช่วยแกทำไมก็ไหนเอ็งว่าอยากให้แกตายตายไปเสียท่านสัพพยกถึงจะเป็นพระอยู่ในวัดก็ยังรู้เรื่องของครือข่านอกวัดรู้ว่านจ้อย มีเรื่องระหองระแหงกับแม่ยายในจํหรัดเคยมาเล่าให้ฟังผมยังไม่อยากให้แกตายตอนนี้นี่ครับแกยังไม่ได้เซ็นชื่อยกนาให้เมียผมยอดลูกเคยว่าอ๋อนี่เอ็งห่วงสมบัติหรอกหรือห่วงลูกด้วยลุงพี่ลูกสาวคนเล็กผมติดแกยังกระตังเมไว้ลูกโตไม่ต้องพึ่งแก คอยแช่งให้ตายเ่เร็วๆแต่ตอนนี้หลวงพี่ต้องไปช่วยไล่ผีให้แกก่อนพระเจริญนึกหมั่นไส้น้องชายเพื่อนครั้นนึกถึงตัวเองว่าหากเป็นเครือหัดและมีครอบครัวก็คงจะเกลียดแม่ยายเช่นกันขึ้นชื่อว่าแม่ยายกับลูกเขยหรือแม่ผัวกับลูกสะใภย้ยากนักที่จะรักใคร่ปรองดองกัน พระภิกษุกับเครือขัดเดินทางจากวัดพรมบุรีมาถึงบ้านในจ้อยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีผู้คนพากันมาเต็มบ้านนั่งล้อมวงดูนางเผ่าซึ่งนอนหลับตาพูดลงเลงลงเลงอยู่กลางเรือนพันยาในจ้อยรีบหาเสือมาปูให้พระเจริญนั่งท่านนั่งลงแล้วทุกคนในที่นั้น พากันกราบท่านสามครั้งลุงพี่ช่วยแม่ฉันด้วยเถอจะ้ะลูกสาวนางเผาอ้อนวอนในหน้ายังมีคราบน้ำตาติดอยู่แสดงว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มายกยกโยมเผาแกเป็นอะไรไปท่านถามพัญญาในจ้อยไม่ทราบจะ้ะฉันนอนหลับอยู่ดีๆ ก็ได้ยินเสียงพูดลงเลงลงเลงอยู่คนเดียวพอเดินออกมาดูก็เห็นแม่แกเดินงุนง่านอยู่กลางเรือนฉันพูดด้วยแกก็ไม่พูดพอฉันจุดตะเกียงมาดูก็พบว่าแกหลับตาตอนแรกนึกว่าแกละเมอฉันกับทิดจ้อยเข้าไปจับตัวแกแกก็ล้มผึงลงนอนหลับตาพูดอย่างที่หลวงพี่เห็นนี่แหละจ้ะนางบวบเงินเล่า สงสัยถูกผีเจ็กเข้าพูดแบบนี้มันภาษาจีนชัดๆใครคนหนึ่งออกความเห็นมีใครพอรู้ภาษาจีนบ้างพระเจริญถามตัวท่านแม้จะมีเชื้อจีนเพราะยมตาเป็นคนจีนแต่ท่านก็พูดไม่ได้ฝั่งก็ไม่เข้าใจผมว่าไปตามเฮุจูดมาดีกว่าแกพูดจีนเก่ง จีนกลางจีนใต้จิว๋วและจีนไหหลวมนายจํารัดว่าจีนไหหลําตัางหากไม่ใช่ไหหลวมเสียงใครกนหนึ่งแยงังเออนะมันก็หายเดียวกันนั่นแหละแต่ข้าชอบเรียกไหหลังเพราะหายแรกฟังดูแล้วมันเสียวเสียวพี่กนพี่ชายในจ้อยให้เหตุผลอย่ามัวเถียงกัน ใครลงไปตามโยมจูดมาสิจะได้รู้ว่าผีที่มาเข้าเป็นใครมาจากไหนครูใหญ่ตะแปะเล่งเจียหรือที่ใครๆเรียกว่าเฮียจูดก็มาถึงเขากราบพระเจริญสามครั้งแล้วจึงถามขึ้นหลวงพี่เรียกผมมาทำไมหรือครับจะให้ช่วยเป็นล่ามถามผีหน่อย ต้องขออภัยที่ให้ไปตามมากลางดึกอาตมาก็เพิ่งหลับไปได้ชั่วโมงเศษ เ, เท่านั้นท่านออกตัวไม่เป็นไรครับผีอยู่ที่ไหนหรือครับลุงพี่ท่านชี้ไปที่ร่างที่นอนอยู่กลางห้องซึ่งบัดนี้หยุดส่งเสียงแล้วลุงพี่ทราบได้ยังไงครับว่าผีเข้ายายเผา เขาถามอาตมาเดาเอาหนะักโยมลองถามดูสิว่าเป็นใครมาจากไหนตะแปะเล่งเจียส่งภาษาจีนถามผีตอบคำถามหากไม่มีผู้ใดฟังรู้เรื่องนอกจากเหียจูดเพียงผู้เดียวผีบอกว่าแกชื่อตะแปะเล่งเว้ครับลุงพีแกถามว่าลุงพี่จำไม่ได้แล้วรือ พี่แกผูกคอตายตายต้นแมงเมาเมื่อปีที่แล้วอ้อลือเองหรอกหรืแล้วลื้อมาเข้ายายเผาทําไมล่ะพระเจริญถามแต่แปะเล่งเจียทําหน้าที่แปลให้ผีฟังอว่าจะมาบอกลให้ไปบอกอาเจียหลานสาวอ้วว่าไม่ต้องทําบุญไปให้อ้วะเพราะอ้วไม่ได้รับถ้าอยากให้อั้วะได้รับ อีตองเจริญวิปัสสนากรรมาฐานตะแปะเหล่งห้วยในร่างของนางเผาตอบแล้วการสนทนาระหว่างพระเจริญกับผีตะแปะก็ดำเนินไปโดยมีเฮียจูดเป็นล่ามแล้วลื้อผูกคอตายทำไมใครทำให้ลื้อเจ็บใจหรือัอ้น้อยใจอัจเกียหลันสาวอัวที่ไม่ให้เงินซื้อฟินสุกโอติดฟินต้องซื้อสูวันละหาบาท หรือเอาไปสอนญาติโยมด้วยว่าอย่าทำอย่างอ้วนอ้วตายด้วยโทสะจึงหน่าเกลดตาปลินลิ้นแหลบยาวตังคืบถ้าตายเพราะหมดกรรมจะไม่น่าเกลดอย่างนั้นแล้วตอนนี้หรืออยู่ที่ไหนอยู่ในนรกอ้วตกนรกนรกอยู่ที่ไหนพระเจริญถามอยากรู้เรื่องนรกมานานแล้ว ก็อยู่แถวๆนี้แหละอวเห็นลือออกไปบินธบาททุกวันพูดกับลือลือก็ไม่ยอมพูดด้วยแต่แปะต่อว่าต่อขานพระเจริญจึงได้ความรู้ข้อหนึ่งว่าเมืองนรกกับเมืองมนุษย์ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองแต่เป็นคนละภพภูมิแล้วลือกินอาหารที่ไหนก็หากินตามกองขยะของดีๆกินไม่ได้ เพราะไม่เคยทำไว้คนที่ไม่เคยทำบุญทำทานตายไปจะอดอยากต้องหากินตามกองขยะแม้จะปฏิกลูนหน้าเกลียดมีหนอนขึ้นเต็มไปหมดก็ต้องกินประทังความหิวหรืออยู่กับใครมีเพื่อนหรือเปล่าวัว อ, อยู่กับห่วยเสียเท้าชื่อมดเคยเป็นสมภารวัดกลางพรมนครแต่ได้ผูกคอตายเมื่อห้าสิบปีที่แล้ว พีตอบห้วยเสียเท่าแปลว่าสม่านทำไมท่านถึงผูกคอตายท่านเสียใจที่ถูกทายกอยากหยอกเงินวัดไปใช้อยากยงมเข้ามาบริจาคเงินเพื่อสร้างโบทแต่ทา ย, ยากเอาไปใช้หมดพอเข้ามาทวงโบท์ท่านไม่มีให้เขาเลยผูกคอตายแบบนี้ทา ย, ยากต้องตายไปลงนรกดูสิ มาทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าต้องมาผูกคอตายเสียงใครคนหนึ่งสาบแช่งทำไมสมภารมดเป็นพระแท้แต่กลับไปผูกคอตายพระเจริญซักไซผีตะแปะเพราะท่านไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมาฐานจึงทุกอวิชชาเขา่าครอกงำถ้าเจริญวิปัสสนา จนเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็จะไม่ทำเช่นนั้นผีอธิบายรู้สึกว่าหรือจะรู้อะไรอะไรจากมืองนรกมากเหมือนกันนะอัวก็มารู้ตอนตกนรกนี่แหละตอนมีชีวิตยอยู่ไม่รู้อะไรเลยวันๆได้แต่โซฟินกับตักน้ำให้อาเจียช้เขาเรียกว่ามีชีวิตยอยู่ด้วยความประมาท คนทุกวันนี้ชอบตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันถึงพวกพระก็เถอะบวชมานั่งกินนอนกินตายไปถ้าไม่ตกนรกก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตคนเป็นพระสะดุง้งแล้วถามต่อหรือทำอะไรในเมืองนรกเขาใช้อัวขุดดินทั้งวันแล้วเขายัางทำโทษอย่างสาหัสสากันอวถูกเขาเกี้ยนจนขาขาด เจ็ปวดรอดร้าวลืเกินพอขาขาดได้ซักประเดี๋ยวมันกลมาต่อกันใหม่ให้เขาเขียนอีกวนอยู่อย่างนี้ทุกวันยกเว้นวันโกนกับวันพระงวยเสียเท่ามดก็ถูกทําโทษแบบเดียวกันทำไมถึงยกเว้นวันโกนกับวันพระเพราะมีพระมาลายมาเทศโปรดพวกสัตว์นรกจะได้รับการปลดปล่อย ให้มาฟังเทศและมาเจริญมิปัสสนากรรมฐานพระเจริญเคยฟังเรื่องราวของพระมาลัยจากโยมยายสมัยเมื่อท่านเป็นเด็กจึงค่อนข้างแน่ใจว่าสิ่งที่ตะแปะเลงหวยเล่านั้นเป็นเรื่องจริงพระมาลัยเป็นใครพระหนุ่มต้องการทดสอบผีตะแปะท่านเป็นพระอรหันตะขีนาศเป็นฉายา ไม่ใช่ชื่อเฉพาะพระอาหารหันต์ที่ไปเทศโปรดสัตว์นรกจะเรียกว่าพระมาลายัยจึงมีพระมาลัยหลายองค์นี่เป็นความรู้ใหม่ที่ภิกษุหนุ่มได้รับนอกเหนือไปจากที่ยงยายเล่าให้ฟังแล้วลื้มาที่นี่ได้ยังไงท่านถามอีกอว่านี้เขามาเห็นจะต้องรีบกลับแล้วอย่าลืมบอกอาเจียหลานสาวอวดด้วยว่า ไม่ต้องทำบุญไปให้อีทำบุญบุญก็เป็นของอีคนเดียวอ้วไม่ได้รับถ้าต้องการให้อว้วได้รับอีต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐ า, านอัวขอกราบลาทันไปก่อนร่างที่นอนอยู่ลุกขึ้นนั่งแล้วกราบพระหนุ่มสามครั้งจากนั้นก็ลงนอนเงียบกริบไม่พูดไม่จาผีออกแล้วใครช่วยไปหยิบยาดมมาหน่อย นายจำรัดออกคำสั่งนางบัวเงินรีบขนที่เชี่ยนหมากของมารดาหยิบถ้ำยาดมส่งให้พี่ชายของสามีเอายาให้ดมประเดียวก็ฟืน้นพระเจริญบอกผีรายนี้ท่านไม่ต้องใช้คาถากรณียะเมตสูตรประมาณยี่สิบนาทีนางเผาก็ลืมตา ครั้นเห็นคนมามุงดูกันเต็มบ้านแกจึงลุกขึ้นนั่งนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมากันเต็มบ้านอย่างนี้นางถามครั้นเห็นพระเจริญจึงก้มลงกราบสามครั้งขณะกราบเสื้อคอกระเช้าที่แกสวมอยู่ห้อยลงเผยให้เห็นทันเหี่ยวๆคู่นั้นเป็นภาพธรรมดาสามัญของคนบ้านนอก โยมเผาเจีบึ้งแปลว่าอะไรพระหนุ่มถามไม่รู้จ้ะฉันพูดจีนไม่เป็นแกตอบพระเจริญเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ว่าผีตะแปะเหลงหวยมาเข้าใหญ่เผาจริงเมื่อผีออกเรียบร้อยโดยไม่ต้องไลบ่บรรดาไทยมุงทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับเรือนตน ในจ้อยเตรียมตัวมาส่งพระเจริญแต่ท่านห้ามไว้ไม่ต้องส่งข้ากลับเองได้ไฟ้ายข้าก็เอามาด้วยขอบคุณหลวงพี่มากที่มาช่วยเขากราบท่านสามครั้งแล้วหันไปขอบคุณตะแป๊ะเล่งเจียเฮีย er, ขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้เฮียพวกเราก็คงยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่เป็นไรแต่ว่าเฮียต้องขอให้ช่วยไปส่งด้วยเลัาว่าผีตาแปะเล็งหวยหลอกเฮียจูดสารภาพงั้นเองกับข้าไปส่งเฮียด้วยกันในจำรัดบอกน้องชายเขาเองก็กลัวเหมือนกันพระเจริญเดินกลับวัดแต่ผู้เดียวท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อแน่ว่าโยมเผ่าไม่ได้หลอกชาวบ้าน ท่านได้ทดสอบดูแล้วแกไม่รู้ภาษาจีนเอาเสียเลยแค่คําว่าเจียปึ้งก็ยังไม่รู้ภาพยมเผ่าที่นุ่งผ้าจงกระเบนใส่เสื้อคอกระเช้าแถมกินหมากปากเปลือกออกอย่างนั้นไม่มีวี่แววว่าจะเป็นคนจีนได้เลยผีตะแปะแหลงห้อยคงมาเข้าแก่จริงอย่างไม่ต้องสงสัย บ่ายวันรุ่งขึ้นพระเจริญจึงเดินทางไปบ้านยงยายที่ตลาดปากบางเพื่อสอบถามเรื่องสมพานมดตะแปะเล่งห้วยบอกว่าห้วยเสดเท่ามดได้ผูกคอตายเมื่อห0สิบปีที่แล้วตอนนั้นยงยายก็อายุราว4ี่สิบคงจะรู้เรื่องนี้บ้างยงยายรู้จักสมพานมดวัดกลางพรมนครหรือเปล่าท่านถาม โยมจ่างนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าท่านมรณะภาพไปรวมห้าสิบปีแล้วท่านถามทำไมรึแทนคำตอบพระหลานชายกลับถามอีกว่าท่านเป็นอะไรถึงมรณะภาพโยมไม่อยากพูดถึงเลยเพราะสงสารท่านเป็นพระเป็นเจา้า ไม่น่าผู้ขอตายตันถูก้ายยกโกงเงินสร้างโบสถ์เลยต้องผู้ขอตายไปที่ชอบที่ชอบเธอท่านสมผานโยมจ่างยกมือท่วมศรีรษะเมื่อพูดประโยคหลังพระเจริญอยู่คุยกับโยมยายอีกพักใหญ่ๆจึงเอ่ยลาครั้นเดินมาถึงวัด แทนที่จะตรงไปยังกุติท่านกลับไปที่ศาลาซึ่งมีตู้พระไตรปิฎกอยู่เพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับนรกสวรรค์ท่านค้นอยู่นานกระทั่งพบข้อความที่ทําให้หายสงสัยการที่ตะแปะเหล่งห้วยบอกว่าแกถูกเข้าเกี้ยนจนขาขาดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่ตรงกับข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ซึ่งกล่าวถึงการลงโทษทันสัตว์นรกว่าสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนากล้าอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิน้นบัดนี้ท่านไม่สงสัยในเรื่องนรกสวรรค์อีกต่อไปท่านจะต้องประพฤติตนเป็นพระที่ดีจะได้ไม่ต้องไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรตอย่างที่ตะแปะ Wood.